ธรรมชาติมันมีแก่สองสิ่งธรรมชาติสิ่งหนึ่งเป็นธรรมชาติฝายที่ปตงแต่งเรียกว่าธรรมชาติสายที่มีเจดีย์ที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเป็นธรนรมชาติที่ปตงแต่เป็นธรรมชาติที่มีขึ้นมาในทรามกางธรรมชาติที่ไม่มีก็มีเจดีย์ขึ้นมาศาลาเนี่ยเดิมก็มีศาลานี้แล้วก็มีศาลาอนี้ขึ้นมา ศาลาที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นธรรมชาติเพราะสาร้างขึันอยู่ในธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งนั่นคือความว่างของจักรวาลในความว่างของจักรวาลเดิมไม่มีศาลานี้ไม่มีเจดีย์อยู่ๆก็มีเจดีย์ขึ้นมาอยู่ๆก็มีศาลานี้ขึ้นมาอยู่ๆในความว่างของจักรวาลไม่มีร่างกายของเราขึ้นมา ก็มีร่างกายของเราพุทธขึ้นมาในความว่างของจักรวาลอยู่ยในความว่างของจักรวาลไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอมีร่างกายพุทขึ้นมาก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณพุดขึ้นมาเป็นธรรมชาติฝ่ายที่มีคือมีร่างกายกับมีจิตใจ แต่ทั้งร่างกายและจิตใจก็เป็นธรรมชาติอันเดียวกับธรรมชาติฝ่ายที่ปุงแต่งอันอื่นๆไม่ได้แตกต่างกันไม่ได้คิดจะพยายามทำลายธรรมชาติฝ่ายที่มีเพราะร่างกายก็เป็นธรรมชาติที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็เป็นจิตฝ่ายปุงแต่งซึ่งเป็นธรรมชาติฝ่ายที่มีเหมือนกับสิ่งที่มีทั้งหลายในโลกนี้ที่อยู่ๆไม่มีเจดีขึ้นมาก็มีเจดีขึ้นมาในท่ากลางของธรรมชาติของจักรวาลป่าเขาล้มนาไฟอยู่ๆไม่มีศาลานี้ ก็มีสาลานี้ขึ้นมาในกลางป่าเขาลํำนอภัยในธรรมกลางธรรมชาติดังนั้นในธรรมชาติฝ่ายที่มีในร่างกายจิตใจเราทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติที่มีเป็นธรรมชาติอันเดียวกันฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมชาติฝ่ายที่ไม่มีไม่มีอาการปรากฏไม่มีร่างกายไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณเรียกว่าเป็นธรรมชาติฝ่ายที่ไม่มีคือความว่างแล้ะในธรรมชาติฝ่ายที่เป็นความว่างในจิตใจเรา ก็เป็นอันเดียวกับธรรมชาติฝ่ายที่เป็นความว่างของธรรมชาติของจักรวาลสรุปแล้วทั้งร่างกายจิตใจเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นธรรมชาติอันเดียวกับธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งของธรรมชาติและก็มีธรรมชาติฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งคือความว่างก็เป็นธรรมชาติอันเดียวกับความว่างของจักรวาลทั้งธรรมชาติฝ่ายที่มีคือร่างกาย เวทนาสัญญาทังงสามัญญากับธรรมชาติฝ่ายที่ไม่มีคือความว่างไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อเป็นธรรมชาติที่มีขึ้นมาจากเดิมไม่มีก็จะต้องดับสลายกลับคืนไปถูงความไม่มีอย่างเดิมเขาจึงเรียกว่าอนิจจังทุกังอนาตตาเดิมธรรมชาติฝ่ายปรงแต่งนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่มีขึ้นมาแต่เดิมแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อมีการปรุงแต่งขึ้นมาแล้ว ร่างกายจิตใจและธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งรอบตัวเราเมื่อปรุงแต่งขึ้นมาแล้วที่จุดก็ต้องแตกดับสลายกลับคืนไปสู่ธรรมชาติฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งฉะนั้นธรรมชาติฝ่ายที่ปรุงแต่งนี้จึงปรุงแต่งขึ้นมาจากธรรมชาติฝ่ายที่ไม่มีการปรุงแต่งและสลายกลับคืนไปสู่ธรรมชาติฝ่ายที่ไม่มีการปรุงแต่งตามเดิมนี่คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติสิ่งใดก็ตามถ้ามันไม่มีแล้วมีการปรุงแต่งขึ้นมาย่อมแตกดับสลายกลับคืนไปสู่ความไม่มีดังเดิม อย่างเช่นเป็นต้นว่ารถที่สร้างมาเนี่ยอยู่ต่อหน้าเราหลายการจอดอยู่นี่สร้างด้วยเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งแต่เหล็กกล้าที่แข็งแกร่งนี้ท่านว่าจะอยู่คงทนถาวรตลอดไปอย่างนี้ได้หรือไม่ไม่สามารถจะอยู่คงทนอย่างนี้ได้ตลอดไปยางเก่งก็อยู่ได้สิบปียี่สิบปีก็ต้องผุพังสลายไปแม้แต่ในแข็งแกร่งเพียงใดก็ต้องเก่าและเสื่อมโทรมสุกโซแตกดัดสลายไปเพราะ เดิมเป็นธรรมชาติฝ่ายที่ไม่มีมันมาแต่แรกเมื่อปรุงแต่งสิ่งใดก็ตามปรุงแต่งขึ้นมาในธรรมชาติสิ่งนั้นต้องผูกธรรมชาติบิบบังคับกลับคืนไปสู่ความไม่มีมันดังเดิมเหมือนร่างกายจิตใจของเราที่ไม่มีขึ้นมาในแต่แรกในธรรมชาตินี้แล้วก็มีเราพุทธโผล่ขึ้นมาในธรรมชาตินี้ร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องแตกดับสลายกลับคืนไปสู่ธรรมชาติฝ่าย ไ, ไม่มี เวทนาคือความรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเป็นต่างๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับจะลายหายไปกลับคืนสู่ความไม่มีสัญญาจําจริงใดขึ้นมาคิดนึกตึกต่อปรุงแต่งเสร็จแล้วก็ดับสลายไปสู่ความไม่มีความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับสลายไปสู่ความไม่มีความคิดนั้นเดี๋ยวก็คิดขึ้นใหม่และวก็ดับสไปคิดมาแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีธรรมชาติฝ่ายที่มีที่สัวตักลับไปสู่ความไม่มี และธรรมชาติฝ่ายไม่มีทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติอันไม่มีอันเดียวกันจึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยธรรมชาติฝ่ายที่ตงแต่งกับเป็นธรรมชาติฝ่ายที่ไม่มีก็กลับคืนสู่ธรรมชาติอันเดียวกันคือความว่างกลับคืนสู่ความว่างส่วนความมีทั้งหลายก็แตกดับสลายไปเพราะมันไม่มีมาตัแรกแล้วมันก็หายไปเลยคืนเหลยอแต่ความว่างกลับคืนสู่ความว่างจึงเป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั่นแหละ คืนนิพพานอยากจะพูดให้ฟังอีกอันหนึ่งก็คือว่าธรรมชาติฝ่ายที่มีความปรุงแต่งความรู้สึกมือคิดอารมณ์เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคือมีสังขานมีความปรุงแต่งเราไม่อาจที่จะเอาธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งคือตัวเราเนี่ยไปดิ้นรนค้นหาพานันธิพานที่เป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งได้ตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญ เพราะธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังขารคือนิพพานชื่อมันก็บอกแล้วว่าไม่ปรุงแต่งดังนั้นมันจึงไม่มีไม่มีเป้าหมายที่จะไปกระทบได้ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีเป้าหมายที่จะไปถึงมันได้ไม่มีสิ่งที่จะไปรับรู้มันได้ด้วยตาหูจหมูกลิ้นกายใจเราจึงไม่สามารถที่จะเอาสังขารฝ่ายปรุงแต่งคือตัวเราเนี่ย ซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไปดิ้นหลนค้นหาผลิพานได้โดยเด็ดขาดเพราะธรรมชาติฝ่ายสังขารเป็นฝ่ายปรุงแตง่งย่อมไปค้นหาธรรมชาติฝ่ายที่ไม่ปรุงแตง่งไม่มีทางที่จะเจอไม่มีทางที่จะพบเพราะฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งที่มีแต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีเราจะเอาธรรมชาติฝ่ายที่มีไปหาสิ่งที่ไม่มีได้อย่างไรเพียงแค่เราเข้าใจความจริงตรงนี้ ก็คงปล่อยเหลือให้มันเป็นธรรมชาติกันไปธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งก็ปรุงแต่งกันไปจนกว่าจะแตกดับสลายไปส่วนธรรมชาติฝ่ายที่มันไม่มีซึ่งเป็นวิถีทางมันก็คงมีของมันอยู่เลอย่างนั้นแหละตามธรรมชาติหยุดดิ้นหลนค้นหาเพราะว่าหาไปยังไงก็ตามจะเอาธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่งไปหาธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแตง่งซึ่งเป็นวิถีทางไม่มีทางที่จะเจอไม่มีทางที่จะพบได้เด็ดขาด จึงให้หยุดที่จะเอาตัวเราไปดีดลนค้นหาให้ถึงใหได้ให้เป็นเดังนั้นหยุดนั่นแหละจึงเหลือแต่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งของเขาอย่างนั้นเองไม่มีผู้เฉลิ้ไม่มีรู้สึกว่ามีผู้ไปถึงไปได้เป็นอะไรมีแต่ธรรมชาติฝ่ายที่เป็นสังขารก็เป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติแต่ปรุงแตง่งส่วนวิสังขารก็เป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่ง พงเป็นธรรมชาติที่คืนเป็นเนื้อเดียวกันไปส่วนฝ่ายธรรมชาติที่ปรุงแต่งนะมันคืนกันไม่ได้เพราะชื่อมันบอกว่าปรุงแต่งกับปรุงแต่งมันเลยไปคืนกันไม่ได้เพราะมันต่างคนต่างปรุงแต่งแต่ทีท่ได้คืนกันได้ก็คือธรรมชาติฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งอย่าถามว่าพนิพานคืออะไรอย่าพยายามค้นหาว่าพนิพ า, านจะค้นหามันได้จากที่ไหนยอย่างไรเพราะนิพานมันเป็นธรรมชาติฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่ง ไม่มีอะไรที่ไปค้นหามันพบไม่มีเป้าหมายที่จะไปทบมันกระทบมันได้ไปถึงมันได้เพราะมันเป็นธรรมชาติป่าที่ไม่ปรุงแต่งชื่อมันก็เลยไม่มีหรือไม่มีการปรุงแต่งเราจึงไม่มีทางหามันพบหาเท่าไหร่ก็ไม่มีทางหามันพบจะพบมันทั้งหมดก็คือหยุดการปรุงแต่งหยุดการดิ่นหลนหยุดการค้นหาหยุดอยากถึงอยากได้อยากเป็นเพราะอยากอย่างไรก็ไปหาไม่เจอเดินทางยังไงก็ไม่ถึงต้องหยุดเดินทาง จุดแสวงหานั่นแหละจริงจะเหลือเป็นธรรมชาติอันเดียวกันคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเหมือนกันหาแล้วมันก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแล้วมันจะเป็นเหลือธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งได้ยังไงหยุดหาเนี่ยแหละจรงจะคืนเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งอันเดียวกันทันทีนี่คือความรับของมันก็อยู่ตรงนี้นะ เนกว่าธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งจะสิ้นอายุไขัหมดไปตามสภาพธรรมชาติของมันฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งเพราะธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งมันคกินธรรมชาติไปแล้วและธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งมันไม่มีการเกิดมันไม่มีการดับมันจึงไม่มีการตายเหลือขันห้ามีชีวิตอยู่ก็ทําหน้าที่ของโลกไปเกื้อกูลโลกจนกว่าธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งจะแตกดับสลายไปตามกาลเวลาอันสมควรแต่ถ้าเรายังปรุงแต่งดิ้นรนค้นหา ชื่อมันก็บอกแล้วว่ายังปรุงแต่งและมันจะถึงธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งได้อย่างไรมันก็เป็นเหตุเป็นให้ปรุงแต่งต่อเรื่อยไปเรื่อยไปมันเลยไม่เข้าถึงธรรมชาติฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งสักทีเพราะเราไม่หยุดการปรุงแต่งเราจะเข้าถึงธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งได้เราต้องหยุดการปรุงแต่งมันจึงจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งที่ต้องหยุดดิ้นรนหยุดแสวงหาหยุดคกลัวหยุดอยากถึงหยุดอยากได้อยากเป็นนั่นแหละมันจึงหยุดปรุงแต่ง ที่เหลือคือเหลือขันห้าขันห้าจะเป็นความรู้สึกนกคิดอารมณ์ที่เป็นขันห้าแต่แท้ยังต้องเหลืออยู่เพราะยังไม่ถึงแต่ความตายอย่างแต่เจ้าตัวสิ้นการปรุงแต่งแล้วเป็นนิพพานไปแล้วแต่ขันห้ายังไม่ตายขันห้าก็ยังต้องมีความรู้สึกนกคิดอารมณ์อยู่แต่คนทั้งหลายเข้าใจผิดว่าเวลาเราแสวงหาเราจะแสวงหาที่สุดแล้วเหลือแต่ความว่างอย่างเดียว ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในใจเราจะไม่มีอีกเลยมีแต่ความว่างอันเดียวมันจะเป็นได้ยังไงในเมื่อขันห้ายังไม่ตายยังมีอยู่ขันห้าคือร่างกายขันห้าคือเวทนาคือความรู้สึกต่างๆขันห้าคือความจําขันห้าคือความคิดและอารมณ์ในเมื่อยังไม่ตายขันห้าก็ต้องมีแล้วจะบอกว่าเหลือแต่ความว่างอย่างเดียวจะเป็นไปได้อย่างไรอืย่อมเป็นไปไม่ได้ดังนั้น ร่างกายความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นสังขารที่ยังมีอยู่เพียงแต่เราเท่านั้นเนี่ยที่หยุดการปรุงแต่งเราจรึงถึงธรรมชาติฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งแต่ขันธ์หน้าย่อมมีอยู่ตามเหตุตามปัจจัยจนกว่าจะสิ้นอายุไขัยแต่เราเนี่ยสิ้นการปรุงแต่งสิ้นการดิ้นลนสิ้นการค้นหาสิ้นความอยากถึงอยากได้อยากเป็นเสร็จแล้วเราจบ ซึ่งการปรุงแต่งเสียแล้วมันจึงถึงซึ่งความไม่ปรุงแต่งแต่ขันห้าเขายัางปรุงแต่งของเขาตามเหตุตามปัจจัยอยู่ยังไม่ใช่คนตายแต่ใจมันเลิกสําคัญปิดเลิกดิดนรนเลิกค้นหาเลิกพยายามเลิกอยากถึงอยากได้อยากเป็นซะแล้วเป็นนิพพานไปแล้วแต่ขันห้ายังไม่ตายเขาเรียกว่าสัุปาพิเศษนิพพานนิพพานขณะยังเป็นอยู่ในขณะกิจปัจจุบัน เมื่อขณนะตายเขาเรียกว่าอนุปาติเสสนิพพานคือขันห้าแตกดับไปเสื่อมทิ้นคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแตกดับสลายไปหมดคงเหลือแต่ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งคือนิพพานกลับคืนสู่ความว่างของจักรวาลเพราะไม่มีการปรุงแต่ง